วันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์2538เป็นการบรรยายพระสูตรในสารยุตินิกายเรื่องปฏิจจสมุ ป, ปบาทครั้งที่สองท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของปฏิจจสมุปบาทในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่สองจะบรรยายตามเอกสารพิเศษที่ประมวลเนื้อความของเรื่องเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทในประเด็นแรกคือ การนิยามองค์ธรรมหรือกำหนดองธรรมของปฏิจจาสิบสององค์ที่เราได้ยินว่าอาวิชชาสังขารเป็นต้นนั้นอวิชชาคืออะไรอย่างไรสังขารคืออะไรอย่างไรซึ่งจะได้รวบรวมการนิยามความของปฏิจจะทั้งสิบสององค์ซึ่งจะมีจากนิพพังจากพระสูตรที่เราได้พูดถึง ในเอกสารที่ได้แจกไปแล้วในวิพังกระสูตรนะคะ ร, ะรับพระไตรปิฎกเล่มส6บกนี่แหละครับมาเป็นตัวตั้งแล้วก็เทียบกับเบื่องปฏิจจสมุปาที่ปรากฏในที่อื่นในที่อื่นก็มีในปัตจิยาการวิพังสุตตันตปาจนีในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบห้าที่3านะิบ้านะอันนี้ก็อยแก่เป็นสาสิบห้าซึ่งเป็นคำพีพรำวิธรรมปิฎก ซึ่งเราก็จะเห็นว่าบางองค์นันิยามเหมือนกันบางองค์นิยามต่างกันแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการกาหนดองค์เกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุปาทในที่อื่นอีกสามแห่งซึ่งจะได้นำเอามาแจกในเอกสารชุดต่อไปในคราวหน้าเพราะว่าการศึกษาปฏิจจานั้นเราจะไม่สามารถเข้าใจปฏิจจมดได้เลยถ้าหากว่า เราไม่รู้ว่าอาวิชาเป็นต้นนั้นคืออะไรเมื่อไม่เข้าใจว่าวิชาเป็นต้นคืออะไรการจะเข้าใจว่าอาวิชาเป็นปัจจัยแก่สังขารเป็นต้นอย่างไรเนี่ยเราเข้าใจไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักตัวหรือองค์หรือปาวะก็จะไม่สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ขององค์กับองค์และอย่างอื่นๆก็เป็นอันเข้าใจไม่ได้ตามไปด้วยทั้งหมดขอให้ดูการนิยามอง ในเอกสารหน้าแรกไปโดยลําดับเนี่ยจะดูเทียบทั้งของแถบอวิชชาเป็นชนไหนอวิชชาเป็นองค์ที่หนึ่งที่แปลว่าความไม่รู้เนี่ยแหละครับในวิ่พังกสูตรที่เราได้รับเอกสารไปแล้วเนี่ยนิยามว่าอาวิชชาคือความไม่รู้ทุกหรือไม่รู้ในทุกความไม่รู้ในเหตุให้เกิดทุกความไม่รู้ในความดับทุกความไม่รู้ในปฏิปทาคือวิธีปฏิบัติ ที่จให้ถึงความดับทุกข์ก็สรุปแล้วก็คือไม่รู้ในอริยสัจสี่นี่เป็นการนิยามว่าอาวิชาคือความไม่รู้อริยสัจสีของวิพังกสูตรและทางซี ข, ขวามือคือในปัจจยาการวิพัง์ในคัมภีร์อภิธรรมที่เชื่อววิพังขปกรณ์ก็ได้นิยามว่า <c oughs> ในปัจจยาการเหล่านั้นอาวิชาเป็นแคไหนค ว, มไมความไม่รู้ทุกความไม่รู้ทุกขะสมุใจความไม่รู้ทุกข์นิโรธ ความไม่รู้ทุกข์นีโรธคามินีปฏิปทานี่เรียกว่าวิชานิยาำเหมือนกันเปรียบเลยเงแต่ว่าอันนี้ไม่ได้แปลไม่ได้ใส่คำบาลีไว้ให้เราก็พูดกันพอเป็นความให้เข้าใจว่าอาวิชชาที่เป็นต้นสายของปฏิจจสมททุปาทะเบตที่เกิดสังขารเนี่ยเอาอาวิชชาในระดับไหนอวิชชาระดับไหน เพราว่าถ้าเราพูดกันอย่างไม่ได้คิดอะไรมากเราก็พูดอย่างชาว บ, บ้านทั่วไปว่าเมื่อมีความไม่รู้ก็มีสังขารคือความคิดปรุงแต่งคือไม่รู้เนี่ยเช่นถามว่าไม่รู้อะไรเห็นบ่กเขาด่าเราเราไม่รู้เสียงเป็นอะไรเราก็โกรธโกรธก็คือเป็นสังขารคิดปรุงแต่งนะหรือเราไม่รู้อนุ น, นี้เป็นเหตุทาให้เกิดอกุศลและจิตความคิดปรุงแต่งด้วยประการต่าง แล้วก็ในทางปฏิบัติก็คือเมื่อเราละความไม่รู้สิ่งนั้นเสียสังขารก็ไม่เกิดเนี่ยคือเช่นว่าเมื่อเรารู้ว่าอ๋อเสียงนี้เป็นอะไรหรือจะขยายอธิบายเป็นอย่างไรก็แล้วแต่แต่ครับเราก็ไม่คิดตรงแตงเมื่อไม่คิดตรงแตงวิญญาณก็ไม่มีอย่างอื่นก็ไม่มีลมหมดตลอดทั้งสายอย่างนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติต่อปฏิจจจัก อย่างที่เราทุกคนสามารถจะทำได้นะนี่ก็เป็นความอธิบายอย่างพื้นนแต่ว่าที่จะพูดให้ฟังเนี่ยผมจระว่าให้ฟังตามมาตรฐานของคำภีแล้วก็จะลองอธิบายในลักษณะหย่อนลงมาถึงในระดับตำดาด้วยผมจะชนให้ท่านพิจารณาว่าอาวิชาคือความไม่รู้ท่านบอกว่าไม่รู้อริยสัจสี่ท่านไม่ได้บอกว่าไม่รู้เรื่องสารพัดที่เราอ้างมา จะให้เป็นความไม่รู้แล้วก็แม่และตรงกันข้ามวิชาซึ่งเป็นตัวที่ไม่ใช่อวิยาถ้าถามว่านั้นวิชาที่เป็นตัวดับสายของปฏิจจสมุปบาท ต, ตรงกันข้ามกับต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายเกิดเนี่ยน่าจะเป็นความรู้ในอะไรรู้ในอริยสัจเหมือนกัน นะอันนี้เดี๋ยวก็จะว่าให้เป็นที่ลึกลงไปทีนี้เรามาคิดดูว่าถ้าเราพูดว่าความไม่รู้อย่างที่พูดแต่ละพัฒย์อย่างเนี่ยแล้วก็มีคนถามว่าแล้วเมื่อเรารู้เนี่ยเราจะไม่คิดปรุงแต่งจริงๆหรือเป็นได้ ไ, ดไหมที่คิดจริงๆของเราเนี่ยปรกากฏว่าธรรมะอันใดอันใดที่เรารู้เนี่ยบางทีเราก็ปรุงบางทีเราก็ไม่ปรุงตั้งทงรู้นั่นแหละใช่ไหม ที่ว่าความรู้ดวงหัวๆๆๆตัวไม่รอดหรือรู้มากไปก็เลยกลายเป็นเหยื่อของกิเลสก็เหมือนกับรู้อย่างนี้อาจจะว่ารู้หรือไม่รู้กันแน่ทำไมถึงวีข้าววิออกอย่างนี้และหนักข้าวหนักข้าวอาจจะเป็นคนที่รู้แต่ว่ายังคิดปรุงแต่งได้อย่างน่ากลัวยิ่งกว่าคนที่ไม่รู้ธรรมะแต่อีกก็เป็นได้อยู่เหมือนกันเลย คนไม่ได้เรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทก็ อ, อาจจะไม่ได้คิดปรุงแต่งอะไรมากเท่ากับคนที่เรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทสงทัญนะนี่เป็นตัวอย่างที่ชวนให้คิดเป็นแง่ต่างๆในการที่จะเป็นสันนิษฐานเรื่องพวกนี้ทีนี้เรื่องไม่รู้ความวิชาเนี่ยเรื่องเรื่องไม่รู้ว่าวิชาเนี่ ย, าายถามว่าใครเป็นผู้ที่รู้อาลีอย่างเรานะ่ยรู้อริีอัสสัตตีหรือเปล่าและอาลยอัสสัตตีเนี่ยรู้กันที่ไหน ที่ไหนไหมายถึงที่จิตไหนที่ญาณไหนจึงจะเป็นการรู้อริยสัจสี่เอาผมถามแล้วให้ท่านตอบตัวเองผมก็ตอบตัวผมด้วยนะครับต่างคนต่างตอบเงียบๆเรารู้อริยสัจสีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้อริยสัจสี่มีสันหน้าตามผมอยู่บางคนน้องนั้นรู้หมดอริยสัจสีที่ท่านกล่าวถึงในทีน่นี้ท่านกล่าวความ ไม่รู้อย่างสมบูรณ์และความรู้อย่างสมบูรณ์ผู้ที่รู้อริยสัจสีละอวิชชาในอาาริยสัจสีได้จริงๆที่หมายถึงนั้นท่านหมายเอาขั้นโลโกตะละคือกล่าวว่าโสดาปติมัชนั้นรู้อริยสัจสี่บางส่วนรู้ไม่แจ่มแช่ทั้งหมดรู้บางส่วนบางส่วนในความหมายก็ว่าอาริยสัจสี่นั่นแหละแต่รู้ในชั้นหนึ่งขั้นหนึ่ง สว่างขึ้นในระดับหนึ่งรู้แล้วรู้เลยไม่กลับมาไม่รู้อีกรู้แล้วไม่มีเผลอไม่รู้รู้แล้วรู้จริงๆไม่มีเผลอที่จะคิดตรงแต่งหรือแปล ว, ว่าอาวิชาที่รู้ในอาเรศสีในระดับใดที่ท่านละได้สังขารอันคิดตรงแต่งในระดับที่จะพึงเกิดจากอาวิชาระดับนั้นเป็นอันท่านละได้ท่านสําลอก โดยไม่เหลือในส่วนนั้นตำดับระดับระโซดาที่กำลังพูดนี้ไม่ได้คิดเองต้อ ง, งย้ำอย่างนี้พูดตามในยะของคำภีในพระไตรปิฎกนะทีนี้ถ้าเป็นสกทาคามีอานาคามีอีกสองชั้นเป็นอนอานา์ไว้ก่อนรู้อริยสัจสีได้ในระดับหนึ่งขั้นหนึ่งที่ละเอียดขึ้นไปชัดขึ้นไป เมื่อท่านรู้อริยสัจสีได้ระดับนั้นขั้นนั้นชั้นนั้นหรือชั้นใดสังขารคือความคิดปรุงแต่งทั้งการที่เป็นบุญเป็นบาปเนี่ยท่านก็สามารถละได้ในขั้นนั้นชั้นนั้นตามที่ท่านรู้เรายกตัวอย่างนิดหนึ่งว่าสังขารอันใดอันท่านละได้และโสดาบัน มีอกุศล ส, สังขารคือเช่นโทสะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระหลานยางังโลหิตสุขบาตเป็นฐานะที่พระโสดาบันจะพึงมีได้หรือไม่แล้วท่านก็บอกว่าแต่เป็นฐานะที่จะมีได้ที่ปุถุชนปุถุชนนี่คือจะปุถุชนอย่างไรปุถุชนบวชปุถุชนไม่บวชปุถุชนชายปุถุชนหญิง ชนได้ฌานผู้ชนไม่ได้ฌานท่านยังถือว่าเป็นฐา น, นะที่จะมีได้ที่จะพึงค้าพอ่อค้าแม่ข้าล่าล้านและยังโลหิตตุประบาดให้หอบนี่ตัวอย่างโทสะยกตัวอย่างโศสะที่พระโสดาบันละได้โดยความเป็นสังขารอาุศลในขอบเขตนะเป็นไปได้ไหมที่พระอนาคามีจะโกรธพระโสดาบันเนี่ยโกรธไปไมัมยค่ะ อย่างนี้ได้แต่เป็นไปได้ไหมที่พระโสดาบันจะโกรธได้เป็นไปได้ไหมที่พระอนาคามีจะโกรธไม่ได้พระอนาคามีนั้นละความโกรธได้นั่นก็ละได้ในในระดับนั้นหลังขาดระดับนั้นเป็นอันดานละได้ทีนี้พอถึงโสดาบันเนี่ยพอ ถ, ถ, ถึงอรหันต์เป็นผู้สำลอกอวิชชาทั้งหมดได้โดยไม่มีส่วนเหลือซึ่งหมายก็ว่ารู้แจ้งใน อาียสัตตสี 4. อย่างสิ้นเชิงไม่มีส่วนเหลือพระอาหารหันต์ไม่มีสังขารความคิดปรุงแต่งโดยความเป็นบุญเป็นบาปอีกเลยทั้งบุญทั้งบาปนะบุญทุกชนิดไม่มีเลยบาปทุกชนิดไม่มีตรงนี้เป็นเรื่องเรื่องลึกแต่อธิบายได้อธิบายแล้วเข้าใจเพราะว่า ไอ้เรื่ยกตัวอย่างผมเลยไปถึงสังขารทิมพัวพันกับวิชานิดหนึ่งว่าไอ้ความคิดปรุงแต่งที่กล่าวอย่างในในปฏิจจานเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะนึกว่าเงินพปลาหลานก็กลายเป็นคนความคิดแข็งทื่อไม่ได้คิดอะไรเลยใจไม่มีอาการคิดว่อย่างงู้ยอย่างนี้เลยอาจารย์นิ ม, มนต์ปลาหลานให้ไปตั้งกุฏิสักหลังโงก็ไม่มีหัวทาง สถานปนิกไม่มีหัวทางมัณ น, นามันตนนศินอะไรเลยอย่างนั้นหรือจะเทศทีก็คือขอโทษที่ใช้คำว่าตื่อเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่ได้ว่าท่านแต่ว่าอันนี้อันนี้ฐานให้เราคิดว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่มีความคิดอื่นเลยความคิดแหงโดกไปอย่างนั้นหรือไม่หรือท่านกลับมีความแยบยลละเอียดลึกซึ้งใช้กคำพูดครใจายเทตนาเข้าถึงอะไรต่ออะไรได้อย่างลึกซึ้ง มากกว่าเราธรรมดาด้วยความอ่อนตัวด้วยความคิดอืมสู้ท่านไม่ได้จริงๆถ้ามันเป็นอย่างที่ว่านี่ยถ้าอย่างนั้นถ้าอาจานย์ยังมีสังขารอยู่หรือวางคิดกลุงแต่งมีอยู่หรือไม่ถ้าพระสารีบุตรเขียนมานื้อเทศจึงมาเล่นต้องคิดใช่ไหมคิดว่าจะทํำยังไงเป็นสังขารไหมเพราะฉะนั้นสังขารเนี่ยเป็นเรื่องที่จะเรื่องใหญ่อันหนึ่งที่จะต้องเข้าใจว่ามันคืออะไรที่ท่านหมายถึงน ะ, ะตรงนี้เราก็พักไว้ก่อน พักไปด้วยเรื่องการพิจารณาทางลึกอย่างนี้ทีนี้มาพูดถึงว่าทําไมจะต้องไปกราบเกณฑ์ว่าต้องรู้อริยสัตตสีไมรู้อริยสัตตสีนะไม่ได้หรือเช่นรู้วิศวะไฟฟ้าอย่างดีรู้คอมพิวเตอร์รู้โน่นรู้นี่ไม่ได้หรือจะรู้ในทางวิชานิติศาสตร์หรืออะไรก็ตามนะเอาเอาม า, ม า, ม, ามาใช้ไม่ได้หรือ จะได้ไม่คิดลรุงแต่งอย่างที่เราอธิบายเนี่ยพะถ้าเรารู้โอ้ว้ามันลองเพราะอะไรเราก็ไม่คิดลรุงแต่งว่าโา้ฟ้าป่าขึ้นมาต้องไปเส้นสูงบูชาอย่างงน้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ยอมให้หรือเพราะมันก็เกี่ยวกับความไม่คิดลรุงแต่งมกันเนี่ยอย่างผิดๆอ่ะใช่ั้ยอ่าเรารู้ว่าโอเดี๋ยวนี้ทาการค้าเรื่องตลาดตอนนี้มันจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเราก็ มีการรู้คิดล่วงหน้ายับยั้งจังใจที่จะไม่ทุรนทุรายอย่างนู้นอย่างนี้ทําให้มีคิดล่วงแต่งใช่หรือไม่และที่ทําบางอย่างทาไมมันรู้แล้วไม่ยังคิดล่วงแต่งล่ะเราเป็นมะเร็งหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเราก็ไม่คิดมากพอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเกิดจากสมุนไพานนี้อย่างนู้นอย่างนี้ดีจะต้องตายเมื่อ น, นั้นเมือนนี้นะเราต้องเอาวัดโลกอนาคตของคนเวรโลกก็กลับคิดล่วงแต่ง คนเรียนรู้อะไรแต่อะไรมาบังบังกับบางทีอาจจะไปคิดปรงแต่งชอบโกงอะไรแต่อะไรได้มากอย่างที่พูดกันเรื่อนี้คือเรื่องโลกโลกนะฮะเราก็พูดกันไม่รู้จบอย่างนี้แต่ว่ากรอบที่ท่านต้องการอย่างในทางประสิจจานเนี่ยท่านมีกรอบของท่านที่หมายถึงเรื่องสังขารหมายเอาตรงไหนมันไม่ได้เกี่ยวกับการเคลื่นนอนไหวของความคิด แต่หมายเอาตรงไหนนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องพูดกันให้ชัดลงไปว่าสังขารคืออะไรทีนี้ผมจะกำลังจะตอบว่าทําไมต้องอ้างว่ารู้อริยสัจสี่และรู้อริยสัจสิมมันดีสําคัญอย่างไรกันถึงกระทาให้ความคิดตรุงแต่งอย่างนี้ไม่มีตอบว่าเรื่องการรู้อริยสัจสี่เนี่ย อาเรยาศสตร์ศีล แ, แท้ๆนั่นกี่ไม่ได้ใช่เรื่องอื่นอไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเราแล้วก็มีทางหลักที่พูดเรียงรวงว่าเหตุเกิดของกิเลสอย่างร้ายกาจถาวรแน่นหนาะยืดเนื้อยาวนาะนที่สุดคือตัวเราตัวเราเป็นโรคนิททางทั้งในทางโรคทางกายและก็โรคทางนามเนี่ยมันหมักหมมกันอยู่อย่างนี้ เพราะอะไรเราถึงเกิดกิเลส ก, กับตัวเราในทางรักทางชังไอ้กิเลสที่เกิดจากตัวอื่นมันสะท้อนไปจากที่มันหมักหมมจากเราอะฮะเหมือนกับไอ้กลิ่นเนี่ยมันหมมในตัวเองก็แพร่ไปที่อื่นไปอีกทีหนึง่งทำใหม่พีกำลังพิจารณาว่าเออมันเกิดหมักหมมกับเราเนี่ยทาไมมันเป็นอริยสัจสีตรงไหนจะพูดอย่างสั้นๆอริยสัจสีคือตัวเรา ที่เราเกิดกิเลสกับตัวเราเพราะเราไม่เห็นตัวเองโดยความเป็นของไม่น่าปรารถนาที่เรียกว่าทุกข์ทุกข์กตรงนี้ไม่ใช่ทุกข์ร้องโอยๆนะเราเห็นตัวเราเองเป็นสุขเป็นสิ่งน่าปรารถนาไอ้ความคิดที่เห็นตัวเองเป็นสิ่งน่าปรารถนาเป็นที่ตั้งของกิเลสทั้งตัวหลักตัวรองใช่ไม่ใช่ความผิดความเข้าไปอย่างรู้ว่าตัวเราไม่ใช่อย่างที่เราก็ใจ เป็นเหตุทําให้เกิดการลางกิเลสใช่ไม่ใช่เมื่อเป็นอย่างนี้คนที่ไม่รู้แจ้งตัวเองโดยฐานะว่าเป็นทุกข์เป็นเหตุให้เกิดแล้วก็ทุกข์นี้ก็เกิดจากกิเลสมันวนเวียนกันนะครับมันหมุนวนกันปัญหาที่เราอยากเนี่ยมันอยากเกี่ยวกับตัวก็ อ, อยากให้ตัวเองเองมันก็เลยเป็นสมุทยัยทําให้ตัวเราเองต้องเป็นอย่างนั้นตามที่เราอยาก คืออยากอย่างกีเลศก็ได้ผลสําเร็จอย่างกีเลสอยากแล้วเราก็จะพยายามที่จะใช้วิธีการให้สําเร็จความอยากนั้นด้วยวิธีถูกบ้างผิดบ้างอย่างที่เปรียบเทียบว่าเหมือนกับคนตาบอดที่เป็นแผลก็ไปแสวงหายาไปหยิบยาผิดบ้างถูกบ้างมาใส่นะก็ดูเราบ้างไม่รู้เราบ้างเป็นแผลตลอดเวลารักษาไม่หายเมื่อเราตีฆ่าตัวเรา อย่างคนไม่รู้เราก็ไม่มีความคิดไปถึงสิ่งที่น่าทำน่าต้องการคือฝ่ายอริยศาสตร์ฝ่ายดีสองนะฮะส ม, มุทยัยมักนี่เราก็ไม่ได้เจริญนี่โรธเราก็ไม่ได้ทำให้เราก็ไม่ต้องการและใจมันก็ไม่นอเยียเพราะนั้นไอ้ความที่เราไม่รู้อย่างนี้แหละเราไม่รู้แจ้งตัวเองพูดชัดๆคือเราไม่รู้แจ้งตัวเองอย่างจริงจริง ความคิดตุงแต่งทั้งในทางดีทางไม่ดีก็เกิดที่อธิบายเป็นอย่างท่านอธิบายเป็นอย่างธรรมดานทางถาว่าอย่างเช่นเราเนี่ยเรามีความรักตัวเองเราก็ใช้วิธีอย่างกิเลสบ้างอย่าบางละเอียดบ้างแล้วก็ใช้วิธีอย่างในทางกุศลบ้างกุศลที่กิเลสเข้าไปเป็นตัวผูกพันอย่างลึกๆที่เราไม่สามารถจะถอนได้ด้วยวิธีธรรมดาโดยอย่างวิธีธรรมดานี่ยเพาะว่า ก็สอนกันว่าเวลาทำบุญทำกุศลอย่าให้กิเลสเข้ามาวปวพันไอย่างงี้คืออย่างวิธีธรรมดาจัดแจงในขั้นความคิดแต่ว่าในระดับของทางลึกเนี่ยของปฏิจจานเนี่ยความคิดธรรมดาเปืืองไม่ออกเช่นเราจะมานั่งนึกว่าเออเราไม่รู้อริยรรสัจสีไม่รู้เป็นทุกข์เราจะมานั่งนึกขอให้เรารู้เรารู้นะรู้แล้วรู้แล้วเออรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่คิดลงแต่งอย่างนี้อย่างงี้ไม่ได้ครับ แม้แต่ความคิดว่าไม่เอาอย่างางี้มันก็นั่นแหละก็เรียกว่าเหนือฟ้ามีฟ้าหรือกวากิเลสไม่พ้นอำนาจของมันไปได้ด้วยอาการนึกอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปแทงตลอดด้วยยานรสนะขั้นปฏิบัติขั้นมรกเนี่ยมันคืนคลายโดยไม่ต้องไปคิดว่าจะหรือไม่จัเป็นอัตโนมัติของคนที่เห็นอริยสัจ ท่านจึงนิยามว่าอาวิชานั้นเป็นความไม่เห็นอริยสัจซึ่งถือเอาขั้นมักซึ่งเป็นขั้นได้วิชาในพระไตรปิฎกเล่มสิบกนั้นมีสูตรจะพรณนาเป็นตัวรับประเด็นที่ผมพูดนี้หลายสูตรซึ่งจะไปถึงในตอนหลังๆแล้วผมจะชี้ย้อนกลับให้เห็นเป็นมั่นคงขึ้นโดยลำดับหลังๆตัดไปทีนี้ถ้าเรา ย้อนกลับมาในระดับต่ำหน่อยย้อนกลับมาระดับต่ำหน่อยคืออย่างเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะควบคุมอวิชชาหรือควบคุมปฏิจจสมุปบาทได้เลยเชียวหรือถ้าเรายังไม่ได้บรรลุมรรคผลมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ควบคุมอวิชชาเป็นต้น ต้องรอไปถึงตอนนั้นหรือคําตอบก็คือว่าการที่บุคคลจะบรรลุมรบรรลุผลนะสามารถที่จะกระทำต่อปฏิจจสมุปบาทได้อย่างนั้นเนี่ยอยู่ๆเขาหลับแล้วตื่นขึ้นมามร ก, ก็เกิดเองอย่างนั้นหรือไม่ใช่การบรรลุขั้นนั้นต้องมาจากขั้นต้ น, ตน ทันถึงมีคำว่ารู้อารียศาสตร์สี่ด้วยการศึกษาเล่าเรียนนี่อันหนึ่งอย่างที่เราเรียนเนี่ยเรียนก็ดีพิจารณาที่คล้อยตามการพิจารณาคล้อยตามก็ดีนี่ยังพูดถึงว่าไม่ลงมือปฏิบัตินะแล้วก็รู้ถึงขั้นลงมือปฏิบัติที่เป็นโลกิยาวิปัสสนาเนี่ยนะครับ ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอวิชชาเกี่ยวกับอริยสัจสีในขั้นที่เรียกว่าเริ่มขยับใกล้มักใกล้ผลเข้าไปแล้วเราก็มองในแง่ของความเป็นจริงว่ามันมีผลเกี่ยวกับการทำให้เกิดความรู้อาผมถามว่าในขณะที่เราเรียนรู้เรื่องอริยาาสัจสีเรื่องวิปัสสนาภูมเออาาิเรื่องนิจังทุกขังนาตาเรื่องนิพพานเรื่องมรรคเรื่องส ม, มุ ท, ทยัยคือตัณหาเนี่ย เป็นปัญญาหรือไม่เป็นปัญญาเป็นปัญญาใช่ไหมเมื่อเป็นปัญญานั้นย่อมมีผลต่อการคืนคลายอาวิชชาบ้างทุกๆปัญญาครับทุกๆปัญญาทุกๆระดับและเมื่อเราเอาไปพิจารณาเคยพิจารณาไหมนี่ฟังงานหนึ่งนะไปพิจารณาให้เห็นจริงอย่างงู้นอย่างนี้อย่างของคนที่มีใจอยู่กับธรรมะเนี่ย เคยมีความรู้สึกสะพร้อนใจสะดุ้มสะเถือนบ้างหรือไม่เคยต้องเคยแน่แนผมขอยัดเยียดให้ต้องเคยสำหรับพวกเราบางคนก็เคยบ่อยๆบางคนก็เคยเ ป, เป็นอารมณ์จนกระทั่งเจอกันทีไรก็พูดอยู่เรื่อยๆเพราะว่าอดกลั้นที่จะพูดที่อื่นว่าพูดที่อื่นไม่ได้เจอหน้าคนที่เขาฟังได้ก็ต้องมาพูดให้ฟังอย่างนี้ บางคนก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ความรู้สึกเมื่อคิดตัวเองนี่มันนอกว้าไปเมื่อปานจะเป็นบ้าเป็นหลังไปหรือเปล่าตามที่คนอื่นเขาพยายามจะยันยืนตำหนิให้อย่างนั้นอ่ะนี่ระดับนี้ท่านท่านถือว่าท่านยอมรับนะฮะและอีกระดับหนึ่งคือระดับระดับปฏิบัติที่เรียกว่าอะนุโลมิกะสัจจานุโลมิกะยาน ท่านใช้คำนี้ในพระจตริดกหลายที่นะไม่ได้หมายถึงเป็นชื่อของยานในยานสิพกแต่เรียกวิปัสสนาทั้งหมดว่าสัจจานุโลมมิกายานคือยานที่อย่างรู้คล้อยตามอริยสัจคนปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยก็คือกำลังเล่นอยู่กับอริยสัจคือทุกขคือสมุทยัยซึ่งเป็นสัจจสองเบื้องต้นแล้วก็ไอตัวเล่นนั้นก็คือมรรคสัจ ในขั้นโลกีและความสำนึกที่ใจมันโน้มไปทางใดทางนั้นคือนิโรธสัตว์มันเป็นของที่เมื่อไปจากหนายอันหนึ่งก็หน่วงไปอีกทางหนึ่งทีนี้ในระหว่างนั้นเนี่ยผมถ้าเราพูดกับคนที่รู้จักปฏิบัติมาบ้างเนี่ยเข้าใจง่ายและถ้าเราปฏิบัติมาบ้างเรามาฟังเรื่องกันเราก็เข้าใจเรื่องตันง่ายขึ้นว่าเมื่อเราปฏิบัติยุ่งเกี่ยวอยู่กับอริยสัจสี่เนี่ย มันทำให้สันดานเราสะอาดขึ้นใช่หรือไม่สะอาดขึ้นจากความโงเ่เขลาเราเห็นความโง่เขลาที่เขาเรียกว่ารู้ความรู้มีอย่างบอกรู้ในอวิชชารู้ในอวิชาาวชามีอย่างอย่างรู้ในอวิชชาเราเคยรู้สึกไหมเราเอ๊ะทาไมเรามันถึงโง่อย่างงี้นะรู้สึกใช่ไหมะรู้สึกจริงๆริถ้าไม่ใช่บน ปวดเก่งกับตัวเองอ่ะเอ๊ะทำไมเราถึงโง่แล้วก็นึกอ๊ะลทำไมคนอื่นก็เป็นอย่างเราด้วยบางคนก็เป็นมากกว่าเราเอเราจะไปบอกคนอื่นเนี่ยเขาจะรับฟังเราได้หรือเปล่าเราก็คิดไปตามภาษารเรานะขนาดนั้นอันนี้ก็ตอนที่เราได้อารมณ์ดีพอออกจากอารมณ์ดีเราก็โง่าตามอ า, าน้าไปเหมือนเดิมโง่เหมือนเดิมแต่ เราถึงจะโง่เหมือนเดิมแต่พอเราสะกกิจแล้วก็พอเนื้ออ๋เป็นอย่างนี้การรู้อย่างนี้มีค่าในทางจรียธรรมคือละสังขารที่เป็นอปุญญาพิสังขารไปตามสูวนส่วนที่ความรู้สึกรู้ซึ้งอย่างนี้จะพึงละได้ก็ละได้มันก็ละได้ในส่วนนั้นลอกได้ในสนพอไปถึงขั้นอริยสัจ บรรลุมรคนั้นเกิดปัญญาแจ่มแจ้งทําให้เกิดสมุเทเฉทประหารแล้วก็ไม่ต้องจัดแจงคือพูดง่ายว่าเมื่อใดที่เราได้ปัญญาด้วยความคิดเมื่อนั้นเราก็จะควบคุมสังขารได้ด้วยความคิดนะเมื่อใดเราได้ปัญญาด้วยการฟังเมื่อนั้นเราก็จะควบคุมสังขารได้ด้วยระดับการฟังเมื่อใดเราได้ปัญญาด้วย การปฏิบัติวิปัสนาเมื่อนั้นเราก็จะควบคุมสังขารได้ในขณะปฏิบัติวิปัสนาโดยวิปัสนาเป็นอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้นะมันจะเป็นคําตอบที่ตอบไปได้กันได้ว่าจะยุ่งในอริยสัจขั้นใดก็ตามขั้นใดก็ตามแต่การรู้อริยสัจนั้นจะเป็นเรื่องเดียวที่มีผลต่อการควบคุมจริยธรรมของตัว โดยแ น, แน่ไม่มีทางอื่นแล้วก็ไอ้ควบคุมจริยธรรมควบคุมที่ว่าสังขารเนี่ยนะมันควบคุมความชั่วที่เกี่ยวกับตัวเองเป็นเรื่องสำคัญครับไม่ใช่เรื่องอื่นแล้วไม่ใช่เพื่ออื่นเพื่ออื่นนี่หมายความว่าบางอย่างเนี่ยครับเราควบคุมความชั่วของเราเนี่ยเพื่อประโยชน์ในทางความเจริญทางธุรกิจนะ ว่าเราจะผลิตสินค้าต้องให้คนเขาเชื่อถือพูดคําไหนและต้องคํานั้นคือเพื่อเราควบคุมเพื่อเป็นประโยชน์แก่กิเลสอีกตัวหนึ่งใช่ไม่ใช่แต่ว่าคนที่เห็นทุกข์ในเบื้องต้นเนี่ยย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การเห็นอริยสัจละอวิชชาได้ในขั้นต่อไปไม่ใช่เพื่อหวนกลับมาหากิเลสอีกแล้วก็ควบคุมกันขึ้นไปขึ้นไปขึนไปตามดับอย่างนี้ เพื่อการถอนกิเลสได้ในเบื้องสูงเป็นทือเรียกว่ากุศลชั้นต่ําเป็นประโยชน์แก่กุศลชั้นสูงท่านจึงถือเอาอาริยสัจไม่เอาเรื่องอื่นไม่เอาเรื่องอื่นแล้วก็ที่ว่าถือเอาอาริยสัจเนี่ยจะเรียกว่าอาริยสัจก็ตามจะเรียกว่าอย่างอื่นก็ตาม แม้ปฏิจจาบางทีจะได้ยินว่าอาวิชชาคือความรู้ในปฏิจจ์ปฏิจจ์อริยศาส์ก็คือเรื่องเดียวกันไม่อื่นจากกันอวิชชาจึงเป็นความไม่รู้ในอริยศสัส์เป็นเหตุทําให้เกิดสังขารคือความคิดปรุงแตง่งคนเราเราต้องเข้าใจหนึ่งว่าทุกชีวิตทุกลมหายใจเราทําอะไรเพื่อตัวเองทั้งนั้น ทุกคนแล้วก็เป็นธรรมดาและความคิดมันจะไปกระโจนยไปถึงอะไรข้างนอกนั้นมันก็เกี่ยวตัวเองเพื่อตัวเองทั้งนั้นเมื่อถอนไอ้ตรงนี้ได้อย่างอื่นก็เป็นอันที่คือนิยามของอวิชชาและอวิชชาที่ประสงค์อย่างในปฏิจจ์ประสงค์เอาอย่างนี้ต่อไปสังขาร สังขารเป็นเช่นไหนถ้าว่าถึงคําแปลวิชาแปลว่าไม่ใช่วิชาหรือความไม่รู้สังขารแปลว่าความปรุงแต่งสามสับแต่ก็โดยความที่ท่านประสงค์นั้นท่านก็ชี้แจงพระพุทธเจ้าว่าเจ้าชี้แจงว่าสังขารสามคือกายสังขารจีสังขารจิตตสังขารข้อนี้ท่านหมายเอาเจตนา ที่เป็นไปในทางกายทางวาจาและทางจิตว่าบุคคลเมื่อฆ่าสัตว์เจตนาอันเป็นตัวกรรมฆ่าสัตว์นั้นเป็นกายสังขารบุคคลเมื่อพูดส่อเสียดเจตนาที่เป็นตัวพูดส่อเสียดนั้นเป็นวจีสังขารบุคคลเมื่อพยาบาทตัวอื่นอยู่ ความพยายามนั้นเป็นเจตนาที่เรียกว่าจิตตสังขารนี่ก็เป็นตัวอย่างของกุศลแต่ละตัวแต่ละตัวแล้วแต่ว่าสังขารเนี่ยถ้าโดยในในอีกส่วนหนึ่งท่านแบ่งอีกแบบเพราะว่าเมื่อแบ่งกายวาจาใจเนี่ยเรยกาก็แบ่งสังขารโดยทวารหรือจําแนกเวตาเจตนาโดยทวารทวารก็มีกายทวารจิตทวาร น, นโนทวารกรรมทวารเรามีสาม ไม่แบ่งค่าในทางบุญทางบาปพูดปนกันไว้ถ้าจะแยกก็อกุศลกายะสังขารอากุศลวัชีสังขารอากุศลจิตสังขารตรงกันข้ามกับกุศลกายสังขารกุศลวัชีสังขารกุศลจิตสังขารนี่ถ้าจะแยกนะนี่ไม่ได้แยกครับรวมกันไว้พระพุทธเจ้ารวมกันไว้แต่อีกที่หนึ่งในปฏิยาการวิพัง ในที่นั้นท่านกล่าวว่าสังขารเกิดเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยเป็นชไหนตอบว่าปุญญาพิสังขารอาปุญญาพิสังขารอาเนนจาพิสังขารกายสังขารเนคีสังขารจิตกสังขารในนี้พูดเอาสองเลยครับแต่ว่าในพระสูตรเนี่ยพระสูตรบางแห่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าปุญญาปุญญาเนจา เพราะว่บาบางคนบอกว่าสังขารที่เชื่อปุญญ า, าปุญญาเนจาไม่มีในพระไตปิฎกมีครับรู้ชาตรัสไว้มีไม่ใช่มีแต่กายสังขารจิตสังขารจิตสังขารมีทั้งสองกรณีอในปัจจยาการาวิพัง์พูดทั้งสองอย่างแล้วก็ไขความว่าการไขความจะทําให้เรารู้ความหมายที่ประสงค์อก่อนที่จะพูดถึงการไขความ แปลคําว่าปุญญาพิสังขารหน่อยสังขารบางที่ท่านเติมอภิเข้ามาขา้างหน้าแปลว่าปรุงแต่งพิเศษกรรมเนี่ยทั้งบุญทั้งบาปท่านถึงเรียกว่าอภิสังขารมานคือสังขารที่เป็นมานที่เป็นสังขารสามนั่นเองอภิสังขารยั่เป็นชื่อของเจตนาเ ป, นเป็นตัวปรุงแต่งพิเศษมันพิเศษจริ ง, รงๆเพราะปรุงแต่งข้ามพวกข้ามชาติ่ ลงแต่งผลได้อย่างเหลือเชื่อบุญญาพิสังขารคือบุญครับเจตนาที่เป็นบุญอาบุญญาพิสังขารเจตนาที่เป็นบาปอาเนเชาพิสังขารตามสั์อานญชานะแปลว่าไม่หวั่นไหวได้แก่อรูปประชานเท่านั้นกุศลที่เป็นอรูปประชานเป็นกุศลชั้นสูง ทำไมจึงเรียกอารูปฌานว่าเป็นอานินจาพิสังขารที่แปลว่าปรุงแต่งอย่างไม่หวั่นไหวเพราะว่าไม่หวั่นไหวในกามไม่หวั่นไหวในรูปรูปหมายถึงรูปธรรมทําให้หวั่นไหวอารูปฌานไม่เกี่ยวกับรูปธรรมก็เลยไม่หวั่นไหวนิ่งนิ่งจริงๆแล้วก็ไม่หวั่นไหวในกามด้วยสองอย่าง ดูอ่นานอธิบายครับอธิบายสังขารทั้งสองชุดนี้ไปได้วยกันเลยตั้งแต่ข้อหนึ่งกุศลเจตนาเป็นกามรมาวจรรูปราวจรที่สำเร็จได้ทานศีลภาวนานี้เรียกว่าปุญญาพิสังขารนั่นที่เราให้องค์ทมว่าปุญญาพิสังขารคือ เจตนาที่เป็นบุญนะก็คือนี่นะครับกุศลเจตนาแต่วัในนี้ขยายความนิดว่ากุศลเจตนาที่เป็นการมมาจอนคืออย่างที่เราทำทำกันทั่วไปแล้วรูปาระจรคือพวกรูปฌานสองอย่างเอาสองอย่างเท่านั้นนะไม่เอาอารูปฌานคํามาดรรพ์รูปฌานเป็นอเนชาวิสังขารไปแล้วนั้นกรมาาจอกุศลอย่างเดียวเนี่ยสำเร็จด้วยทานศีลภาวนาครบหมด ดังที่ได้พูดในเรื่องพระวิธรรมมาเมื่อตอนว่าเรืองจิตเราให้ทานให้ทานจิตต้องเป็นกุศลฝ่ายกามาวจรรักษาศีลก็เป็นฝ่ายกามาวจรสีลที่เรารักษานะแต่ภาวนาเป็นได้ทั้งกามาวจรและรูประชานลูประชานเป็นภาวนาอย่างเดียว ต่อไปอากุศลเจตนาที่เป็นกามาวจรเรียกว่าอักุญญาพิสังขารทำไมกล่าวว่าอากุศลเจตนาเป็นกามาวจรอกุศลเป็นรูปาวจรมีหรือไม่ตอบว่าไม่มีรูปฌานนี่ยไม่มีอกุศลน่ะแต่ว่าคนได้ฌานยังเกิดอกุศลปนได้น่ะอกุศลเป็นกามาจิตที่เข้าไป เกิดยุ่งเกี่ยวกับฌานที่ไม่เป็นอกุศลอกุศลระดับฌานไม่มีถึงแม้จะมีคําว่ากามราคะรู ป, ปราคะอรู ป, ปราคะกามราคะรู ป, ปราคะรูปราคะราคะทั้งสามเนี่ยมีฐานะเป็นกามจิตแต่เรียกว่ารู ป, ปราคะอรู ป, ปราคะนั้นเรียกเพราะไอ้กามจิตนี่ไป เอาฌานเป็นอารมณ์เรียกตามอารมณ์ฟังไงว่าจําแนกราคาไปตามอารมณ์เพราะว่าราคาเนี่ยพอใจในสิ่งที่เป็นกามด้วยกันก็ได้พอใจในสิ่งที่เป็นฌานที่ไม่ใช่กามนะก็ได้ในอารูปก็ได้ก็เลยจิตในระดับของฌานเนี่ยไม่มีอกุศลคนได้ฌานที่ยังมีอกุศนนั้นอกุศลของท่านเป็นจิตฝ่ายต่ําไม่ใช่จิตฝ่ายฌาน ต่อไปกูศนเจตนาเป็น อ, ร, อรูปอรูปวจรเรียกว่าอาเนจาพิสังขารนี่ก็รูปวจรสี่สำหรับกายสังขารกายสัญญาเจตนาเจตนาทางกายวิชีสัญเจตนามโนลสัญเจตนานี่ก็เป็นเจตนาทางตวาวันทั้งสามก็เป็นการจําแนกกรรมอีกอย่างหนึ่งคือคล้ายๆเรียกว่ากายกรรมวิชีกรรมโมกรรมนั่นแหละก็เลยสรุปว่า สังขารความคิดปรุงแต่งเนี่ยเป็นทั้งบุญทั้งบาป ท, ทีนี้เราก็มามองข้อพิจารณาอย่างพื้นพื้นว่าเวลาที่เราพูดถึงสังขารอย่างทั่วๆไปในระดับชื้บ้านเนี่ยเราก็พยายามจะกีดกันแต่เฉพาะอากุศลสังขารใช่ไหมใช่ไหมว่าอากุศลสังขารบอกว่าอาวิชชาต้องมีไม่มี ม, มีแล้วมันตามไม่เกิดสังขารซึ่งก็จะหมายเอาแค่อกุศลสังขารแต่ในทางหลักเบื้องสูง จริงๆนั้นท่านตั้งข้อลังเกียจทั้งอกุศลสังขารและทั้งกุศลสังขารและคนที่จะละสังขารก็ต้องละทั้งสองอย่างเป็นที่หมายปลายทางและการที่จะละสังขารได้อย่างสิ้นเชิงทั้งสองส่วนนี้จะต้องมีอวิชชาที่ถูกทําลายอย่างสิ้นเชิง ก็คือต้องรู้อริยสัจสี่อย่างครบทั่วจริงๆจึงจะละได้อันนี้เป็นเรื่องขององค์ธรรมของสังขารต่อไปดูตัวที่สามคือวิญญาณที่เรียกว่าวิญญาณเนี่ยคืออะไรปรากฏว่าการนิยามความถึงวิญญาณทั้งสองที่นี้เหมือนกันวิญญาณแจกโดยทวารหกคือ จากูวิญญาณโสตวิญญาณคานาวิญญาณจีห่าวิญญา ณ, าญญาณกายยะวิญญาณนี่พูดเหมือนกันผมผ่านวิญญาณตรงนี้ไปก่อนนะในนี้ก็วิญญาณเนี่ยมันที่จริงเมื่อเราพูดถึงจิตหกตางเนี่ยมันก็มีจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลก็มีจิตที่เป็นวิบากก็มีจิตที่เป็นกิริยาก็กมีจเจ้าจิตทั้งหมดเลยว่าหรือว่าจิตบางพวกถ้าสมมติว่าเอาจิตทั้งหมด มันจะไม่ไปทับซ้อนกับสังขารหรืออย่างเช่นว่าจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยมันไม่เป็นอกุศลสังขารไปหรือจิตที่เป็นกุศลไม่เป็นกุศลสังขารไปหรืออตรงนี้เป็นเรื่องยุ่งของปฏิจจยุ่งในแง่ที่ว่าถ้าจะพูดกันอย่างเอาเอาละเอียดลึกเนี่ยนะเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าปฏิจจญเนี่ยวงรอบหนึ่งหรือรอบหนึ่งของปฏิจจญาสิบสอง มันเกิดในขณะจิตเดียวกันหรือต่างขณะจิตอันนี้นะฮะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากแล้วก็ผมก็ไม่คิดที่จะพูดไปถึงหมดจดขนาดนั้นอย่างตั้งเรื่องนี้ขึ้นมาพูดปเป็นเยกระเทศหรอกเพราะว่ามีที่วิภาควิจารวิจัยกันโอโหผมพูดแล้วผมก็ว่ามันหน้าที่จะท้อแท้พสอสมควรทีเดียวสำหรับคน แต่ผมก็ขออนุญาตเรียนแบบพระพุทธเจ้านิดหนึ่งที่ท่านตรัสมาเป็นของยากของยากนะที่พูดกับร้านนนผมก็พูดวดาเป็นของยากของยากแต่พูดมากไม่ดีพูดมากเดี๋ยวเดี๋ยวท้อถอยก็ <c oughs> <c oughs> บางคนอาจจะชอบเรื่องยากยาเรื่องลึกๆบางคนก็อาจจะรู้สึกไม่ชอบแต่ก็จะพยายามพูดให้เป็นของที่พอฟังได้สำหรับส่วนใหญ่ที่ผมจะบอกก็คือว่า ปฏิจจะในบางที่ท่านกล่าววิญญาณเฉพาะที่เป็นวิบากวิบากจิตบางที่ก็พูดถึงวิญญาณทั้งหมดเอาเงี้ก็แล้วกันแล้วก็พอไปถึงบทอธิบายมันจะพูดอธิบายตรงนี้ให้เห็นอีกทีหนึ่งอธิบายไตรงนี้ก็จะลําบากเพราะจะต้องสัมพันธ์กับปฏิจจะองค์อื่นๆด้วยทีนี้มาดูนามรูปที่เรียกว่านามรูปนั้นคืออะไรตรัสว่า เวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนัสิการเรียกว่านามแล้วก็ลูกเือออไหลมหาวุทธลูกอุปาทัยลูกนี้เรียกว่าลูกนี่คือนามลูกทีนี้นามที่ปรากฏในนี้ถ้าเราเรียนมาในทางพระวิชามเราก็จะได้ยินท่านกระหมดเยอยในวิสุทธิมรรคในตัฐาแล้วก็ทัสมุดสรุปว่านามนั้นหมายถึงเจตสิกไม่เอาจิตจิตเป็นวิญญาณไปแล้ววิญญาณอย่างเดียวเป็นจิต นามนั้นหมายถึงเจตสิกทั้งหมดเรียกว่านามรูปหมายถึงรูปทั้งหมดที่อยู่ในสตรีร่างเรานี่คือรูปในสตรีร่างเราเนี่สองอย่างเจตสิกกับร่างกายเรียกว่านาเนี่ยในสิกขวามือก็นิยามเหมือนกันต่อไปครับดูองค์ที่ห้าเราพูดถึงแค่องค์ที่ห้าก็จะจบกันไว้แค่นี้ก่อนนะ สลายยตนาเป็นเฉไหนอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรียกว่าสลายแตนะก็คืออายตนาทำมันเป็นที่ต่อเชื่อมต่อให้จิตกับอารมณ์เกี่ยวข้องกันเรียกว่าอายตนะไอ ต, ตรงนี้ง่ายอะในด้านศีกสายมือก็นิยามเหมือนกันเช่นเดียววันนี้เราควรจะหยุดไว้แค่นี้นะครับที่เหลือจะนําเอามาพูด ต่อแต่ว่าองค์สงสารตอนนี้จะพูดอย่างสั้นๆแล้วก็จะมีมีอีกชุดหนึ่งนะคราวหน้าจะแจกให้แล้วก็ยามถือติดมือไว้อีกชุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีที่เขาเรียกว่าใสาองคบบอ์ธรรมแบบพระอภิธรรมแบบแบบอภิธรรมหลังหะแบบวิสุทธิมรรคไงนะมดว่าบอกว่าอาวิชาคืออะไรเยพอมาถึงอภิธรรมเขาจะบอกว่ า, าวิชาองค์ธรรมได้แก่โมหะเจตสิกในอกุศลจิตติสองแล้วเราก็จะใช้เกณฑ์อันเนี้ย เป็นข้อกำหนดพูดถึงกันเป็นเป็นที่ทั่วๆไปแล้วก็สังขารคืออะไรก็สังขารคือเจตนาในจิตยี่สิบเก้าพอใส่ตัวเลขเข้ามาชักเรื่องใหญ่แล้วแต่ว่าเราไม่ไปพูดแยกกันแบบเรียนอย่างคนที่เขาเรียนกันอย่างคอแขงงนเราก็พูดเป็นส่วนคร่าวๆเอออ้ยิบก่าวไม่ต้องพูดเราพูดไ่้เจตนาฝ่ายบุญฝ่ายบาปยังไงเอาพอคร่าวๆอย่างนั้นแล้วก็แจกแจง พฤติกรรมกันสักเล็กน้อยแล้วก็ที่มันจะเป็นเรื่องที่น่าต้องฟังและหาฟังยากจริงๆเนี่ยนะก็ะคือไอ้ความสัมพันธ์กันระหว่างองค์กับองค์ว่าคืออย่างไรจากอาวิชาเป็นเหตุให้เกิดทังขานเนี่ยอกุศลของเราทุกอกุศนไม่มีอคุณศนใดที่ไม่เกิดจากอาวิชาแล้วก็กุศลทุกกุศลของเราไม่มีกุศลใดที่ไม่เกิดจากอวิชาและ ว, วิชาที่มันมาเกิดเป็นปัจจัยเกิด กุศลกับกุศลของเราเนี่ยเรารู้ตัวเลยไม่รู้เราเชื่อเชิญมันมาแล้ยไม่ขอร้องมันเลยแล้วถ้าเราไม่เอาไม่เชื่อเชิญคขับอะไรบอกไม่เอาเอาวิชาไม่เอาอย่ามายุ่งเห็นจะทาบุญคนฟังไหมไม่ฟังคิดยังไงก็ไม่ฟังให้ไปเข้าฌานเข้าสมาบาัตเข้าพิยาบังคับมันมันก็ไม่เชื่อครับมันจะกลายเป็นว่าไอ้ที่คิ ด, คดนั่นแหละมันมันเป็นตัวให้คิดแหละมันเป็นตัวสั่งให้คิด ไอ้ตรงนี้มันมันมันเป็นเรื่องลึกแต่ว่าพูดแล้วเห็นได้แล้วก็เห็นจริงเห็นจังกับบทอธิบายตรงนี้ดีดีกว่าเพื่อนเลยดีกว่าเพื่อนหมายถึงดีกว่าที่เราเราคิดคิดของเราเองนะฮะจริงเป็นเรื่องที่น่าติดตามแจะให้รู้ชัดไปวันนี้ขอยุติเท่านี้นะครับ